เกมกรรมบทที่7ตัวแปรในการก่อกรรมเพื่อจะพลิกเกมยากแค่ตั้งใจดีอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเข้าใจให้ดีพอด้วยหัวข้อตัวแปรภายนอก 1. ปัจจัยแวดล้อมเริ่มแรกไม่มีใครจำการตัดสินใจครั้งแรกได้ ทุกคนทราบแต่ว่าในวัยเด็กน้อยที่แขนขาสั้นเกินกว่าช่วยเหลือตนเองทุกคนไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิคิดตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนทั้งพ่อแม่เพศรูปร่างหน้าตาแก้วเสียงสุขภาพฐานะที่อยู่อาศัยครูความเฉลียวฉลาดและวิธีใช้สติคิดอ่านทุกคนทราบแต่เพียงว่าตนถูกบังคับให้ต้องมีสมบัติเหล่านี้ ไม่ว่าชอบหรือชังก็ตามการตัดสินใจครั้งแรกๆนั้นเริ่มต้นเมื่อคุณมีสิทธิ์เลือกบางสิ่งตามใจชอบเช่นเข้าโรงเรียนอนุบาลเจอเพื่อนคนไหนชอบใจก็เลือกคบคนนั้นไม่ชอบใจขึ้นมาก็เลิกคบกันเป็นต้นทุกการตัดสินใจมีแรงผลักดันเสมอแรงผลักดันแรกคือทุนเก่าที่แต่ละคนมีติดตัว อย่างเช่นถ้าพ่อแม่สอนให้เลือกคบแค่เพื่อนรวยๆแนวโน้มที่คุณจะเป็นคนหัวสูงก็ย่อมมีอยู่กรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันเมื่อถือตามความจริงนี้แปลว่าคุณไม่ได้มาเกิดกับพ่อแม่ที่สอนให้หัวสูงโดยบังเอิญคุณจะต้องเคยหัวสูงมาก่อนหรือทำกรรมบางอย่างที่ลองตัวพอดีกับพ่อแม่หัวสูง ผลจึงออกมาสอดคล้องเช่นนั้นอย่างไรก็ตามความเป็นคนหัวสูงไม่เที่ยงเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยแบบหนึ่งและมีสิทธิ์แปรไปด้วยเหตุปัจจัยอีกแบบหนึ่งหมายความว่าระหว่างมีชีวิตมนุษย์แต่ละครั้งถ้ามีแรงกระทํามาเปลี่ยนใจคุณทําให้คุณอ่อนโยนลงลดความแข็งกระด้างได้อย่างถาวรชั่วชีวิตก็แปลว่ามีนิสัยใหม่ที่ตั้งมั่น คือความอ่อนโยนนอบน้อมถ่อมตนไม่ดูถูกคนยากจนเช่นนี้เมื่อเกิดใหม่คุณย่อมไปเกิดกับพ่อแม่ที่ไม่สอนให้หัวสูงและก็ทำให้การตัดสินใจครั้งแรกๆของคุณเปลี่ยนไปด้วยสรุปคือในเกมกรรมนั้นแม้กระทั่งการตัดสินใจครั้งแรกๆก็หาได้เกิดจากความบังเอิญ ต้องมีปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเป็นตัวผลักดันอยู่เบื้องหลังเสมอความจริงมีอยู่อีกประการหนึ่งคือการตัดสินใจที่ขาดความเข้าใจเกมกรรมนั้นมักนำปัญหาใหม่มาเพิ่มแทนการแก้ปัญหาเก่าให้หมดไปสิ่งที่ฟ้องว่าคุณกำลังเดินอยู่บนทางเลือกที่ผิดคือการต้องทนทุกข์ทั้งที่ทุนเก่าน่าจะเอื้อให้เป็นสุขเช่นเศรษฐีที่มีเงินมาก แต่จิตใจเหมือนขอทานที่ไม่มีเงินสักบาทสิ่งที่คุณต้องทราบคือการคิดคะแนนใหม่เริ่มต้นนับแต่มีการตัดสินใจครั้งแรกๆด้วยตนเองหลักกว้างๆมีอยู่ว่าถ้าคุณตัดสินใจอยู่ข้างแรงต้านกิเลสเช่นมโนธรรมมนุษยธรรมและเหตุผลโดยมากคะแนนคุณจะบวกขึ้น เห็นได้จากที่มีความสุขทางใจมากกว่าที่ควรแต่หากคุณตัดสินใจยอมตามแรงบีบคั้นของกิเลสเช่นเครื่องกระตุ้นความโลภและความโกรธโอกาสจะสั่งสมคะแนนลบก็สูงเห็นได้จากที่มีความทุกข์ทางใจมากกว่าที่ควร 2. เพื่อนเพื่อนมีหลายแบบ สำหรับแบบที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้คือเพื่อนที่คุณรู้สึกว่าเข้ากับคุณได้คุณไว้วางใจเขาได้คุณคิดพึ่งพาเขายามเกิดปัญหาคุณสนิทกับเขาพอจะถือวิาสาสะมากหรือน้อยคุณสามารถพูดเล่นหรือใช้ภาษาชฉดโฉดได้โดยไม่โกรธกันและคุณก็รู้สึกว่าตัวเองมีอิทธิพลกับชีวิตของเขาพอๆกับที่เขาก็มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณในทางใดทางหนึ่ง เช่นคุณต้องยินยอมแบ่งเวลาทำกิจกรรมบันเทิงที่ปราศจากผลประโยชน์ร่วมกับเขาพักผ่อนหย่อนใจหรืออยู่ใกล้กับเขาเงียบๆได้โดยไม่อึดอัดและไม่จำเป็นต้องหาเรื่องมาพูดจ้อเสมอไปเพื่อนในความหมายของคนใกล้ชิดนั้นโดยมากจะเป็นคนวัยเดียวกันเพศเดียวกันแต่นิยามความเป็นเพื่อนก็ไม่ได้จากัดจำเพาะเจาะจงอยู่แค่นั้น เพื่อนอาจต่างเพศต่างวัยต่างชาติต่างภาษาหรืออาจเป็นพ่อแม่พี่น้องของคุณเองก็ได้การที่หลายคนรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่มีเพื่อนสนิทก็อาจจะเพราะไม่มีใครที่ตรงตามคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นและการที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าตนมีเพื่อนแท้ก็เพราะเกิดปัญหาหนักๆแล้วไม่มีใครแสดงตัวยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อนสนิทหรือเพื่อนแท้ของคุณไม่ได้มีอิทธิพลกับคุณแค่เป็นใครให้คุณหยอกล้อเล่นหัวหรือพึ่งพายามยากแต่เขายังมีส่วนในการหักเหเส้นทางกรรมของคุณหรือส่งเสริมต่อยอดให้เส้นทางกรรมเดิมของคุณไปถึงจุดหมายเป็นนรกสวรรค์เต็มภูมิคำยั่วยุหรือกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนอาจมีผลให้คุณตัดสินใจทำเรื่องบ้าๆ ที่คุณไม่เคยคิดอยากทําหรืออาจทําให้คุณยับยั้งชั่งใจในเวลาใกล้ขาดสติส่วนเพื่อนกินหรือเพื่อนที่มาตอนนิดตอดหน่อยจ้องจะเอารัดเอาเปรียบคุณอยู่ตลอดเวลานั้นคุณไม่จําเป็นต้องหาและไม่จําเป็นต้องมีกรรมเก่าอันใดเป็นพิเศษเพราะมนุษย์เกินกว่าครึ่งพร้อมจะเป็นเพื่อนกินอยู่แล้ว สำหรับกรรมเก่าที่ทำให้มีเพื่อนมากคือความมีน้ำใจมีความคิดคำพูดและการกระทําในเชิงผูกมิตรชอบเกือ้อกูลไม่เลือกหน้าไม่มองใครในด้านลบด้านร้ายตั้งแต่แรกพบกรรมประเภทนี้จะทำให้จิตมีความเบิกบานก่อกระแสะความเป็นกันเองและมีแรงดึงดูดให้ใคร่อใครอยากเข้ามาสนิทด้วย กรรมเก่าที่ทำให้มีเพื่อนน้อยคือการเป็นคนแล้งน้ำใจชอบเอารัดเอาเปรียบมีความคิดคำพูดและการกระทําในเชิงปฏิเสธไมตรีพร้อมจะมองใครๆแบบเพ่งโทษโดยยังไม่ทันคุยด้วยสักคำกรรมประเภทนี้จะทำให้จิตมีความเศร้าหมองก่อกระแสความอึดอัดน่าระคายและเต็มไปด้วยแรงผลักให้ใครต่อใครอยากออกห่าง กรมเก่าที่มีเพื่อนดีๆคอยให้คาแนะนาและเป็นกําลังใจในด้านดีคือเคยเป็นคนว่าง่ายไม่ดึงดันไร้เหตุผลเมื่อใครตักเตือนให้ได้สติคิดชอบหรือทำตัวเป็นกําลังใจสนับสนุนให้คนรอบตัวประพฤติตนในทางที่ควรกามเก่าที่มีเพื่อนเลวๆค อ, อยยุยงให้ไหลไปสู่ความเดือดร้อนคือเคยเป็นคนว่ายาก ดึงดันไร้เหตุผลเมื่อใครตักเตือนหรือทำตัวเป็นบางช่างยุให้คนเขาแตกคอกันสนับสนุนให้คนใกล้ตัวหมกมุ่นในกามและการแก้แค้นหรือเขาอยู่ดีๆก็หาอุบายให้เขาเห็นกงจากเป็นดอกบัวคิดทำเรื่องเลวซามต่างๆกรามารมเก่าที่ทําให้มีเพื่อนสนิทแน่นแฟนคือการร่วมคิดร่วมความเชื่อ และร่วมกระทำกิดน้อยใหญ่ด้วยกันช่วยเหลือเกอื้อกูลให้ซึ้งใจกันเมื่อสนิทกันมากๆอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้านดีต่อกันแต่อาจทำร้ายจิตใจหรือกระทั่งทำร้ายร่างกายกันตรงนั้นไม่สำคัญสำคัญคือแม้ทะเลาะเบาะแว้งหนักขนาดไหนต้องกลับมาคืนดีกันได้จึงจะย้อนกลับมาเป็นแรงกระชับความผูกพันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น แต่ถ้ากลับคืนดีไม่ได้ยังอาฆาตอยากล้างแค้นกันไปล้างแค้นกันมาก็อาจหมายถึงการเป็นศัตรูคู่อาฆาตรายใหญ่อาจจะระดับข้ามภพข้ามชาติไปเลยกรรมเก่าที่ทำให้มีเพื่อนแท้คือการร่วมกันทำบุญใหญ่สำเร็จและมีความปราบเลื่มยินดียิ้มให้กัน มองกันเต็มตาด้วยความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวบุญใหญ่อาจหมายถึงการช่วยเหลือพระที่เจ็บไข้าอาภาษหนักหรืออาจหมายถึงการร่วมกันสร้างชุมชนยากไร้ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นหรืออาจหมายถึงการร่วมงานบุญกันเป็นประจำกระทั่งสะสมบุญสัมพันธ์ไว้พัฒนาจากกองเล็กเป็นกองใหญ่บังเกิดความผูกพันเหนียวแน่นจนรู้สึกไม่เป็นอื่นต่อกัน น้ำพักน้ำแรงที่ช่วยการจนงานบุญใหญ่สำเร็จนั้นจะย้อนกลับมาเป็นกำลังให้ทำกิจน้อยใหญ่ร่วมกันสำเร็จเสมอเมื่อฝ่ายใดพลังพลาดอีกฝ่ายก็สามารถยื้อยุดฉุดดึงให้กลับทรงตัวขึ้นได้ใหม่อีกทั้งอำนาจบุญในอดีตชาติจะเป็นกำลังให้ซึ้งใจกันตั้งแต่แรกพบโดยยังไม่ทันต้องร่วมบุญกันอีกและที่สุดแล้ว ชาตินี้ชีวิตนี้คุณมีสิทธิทากรรมใหม่คือเลือกสร้างเพื่อนหรือเลือกคบเพื่อนในแบบที่จะทำให้คุณได้คิดได้ตั้งจิตเป็นบุญแม้ว่าต้องตกอยู่ใต้อำนาจกรรมเก่าส่งให้คุณอยู่ทถ้ำกลางคนที่ไม่เป็นมิตรขอเพียงคุณมีน้ำใจและคิดดีกับทุกคนไม่สนใจว่าเขาจะดีตอบหรือร้ายมาวันหนึ่งอาจเป็นชาตินี้หรือชาติหน้า เมื่อกมใหม่ถึงเวลาให้ผลคุณจะมีเพื่อนมากเพื่อนที่ดีเพื่อนสนิทและเพื่อนแท้เข้าจนได้